อ่าตอนนี้ไปเึงตั้งใจเรามาบวชในพุทธศาสนาย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันสำหรับผู้เริ่มต้นมาบวชบางคนก็ บวชแก้บนก็มี mm hmm. เมื่อทนได้ประสบความวิบัติบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. ก็ไปบนไว้เ mm hmm. ช่นเจ็บป่วยก็ดีอเมื่อหายป่วยแล้วก็มาบวช อื่นๆว่าอุปสรรคอย่างอื่นบางคนก็อุดทิศ ต, ต่อการบวชอย่างว่านั่นนี่ะอันนี้บางคนบวชเข้ามาแล้วอยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็ว่าจะมาบวชบนแก้บนสักสามวันเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน อันเมื่อประพฤติปฏิบัติไปมันเห็นผลแห่งการบวชเข้าไปใจส ง, งบดูดดืม่มอา้าวก็อยู่ไปได้เลยก็มีบางคนก็ซึกค้าลาเพศไปตามที่ตนกำหนดไว้บางคนก็ห <c oughs> างเงินหาทองอยา ที่เกียิทำการงานหนักอาจจะไปทำงานเบาตนก็ไม่มีความรู้นี่กรณีมาบวชก็มีปเช่ น, นีก็มักจะไม่ยืดเยื้อหรอกการบวชเพราะเมื่อเกียจคร้านทำการงานแล้วบวชเข้ามามันก็ยิ่ง เกียกครคลานใหญ่มันได้รับความสบายไม่ได้ทำไรไทย น, นาไม่ได้กําผลทนแดดอะไรนิสัยคนเกียกร์คลานนี้นับว่าร้ายกาจตัวสิ่งอื่นเรื่องไม่ดีมีในใจของคนสิ่งอื่นนั้น มันก็ยังพอแก้ตกได้ในเรื่องความเกียดคร้านนี่แก้ยากผู้ใดมีนิสัยเกียดคร้านมาแต่กำเนิดแล้วแย่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันสำรวจตัวเองอย่าให้เป็นคนเกียดคร้าน คนเกียรครั้นแล้วสร้างผู้สนขุนงามความดีอะไรก็ไม่ได้เลยนับว่าตัดความดีต่างๆที่ควรจะได้จะมีออกไปหมดมความเกียรครั้นเนี่ยมันจะมีความรู้ความจำคำสอนได้มากมายเท่าไหร่ เมื่อมันเกียรครั้นมันก็ไม่ลงมือทาเลยมันเป็นยังไงไหวพระก็เกียรครั้นนั่งสมาธิภาวนาก็เกียรครั้นไปเที่ยวบินธาบัตก็เกียร์ครั้นปัดวัดกวดวัดทำกิจวัตรต่างๆก็เกียรครั้น คนเกียรคร้านนี่มักจะชอบหลับอชอบมักหลับมักนอนเีย่ยว่าเอาแต่นอนเป็นเกณฑ์ไม่ลุกขึ้นทำความเพียรอันนี้เป็นลักษณะของคนเกียรคร้านแล้วก็เป็นคนมักง่ายหนึ่งคนเกียรคร้านนี่นะทำอะไรก็ อยากให้มันเสร็จเร็วๆนะดีกว่าต้มไม่ดีกว่าช่างนี่ทีว่านิสัยเกียร์คลานไม่ดีจริงๆนะเพราะนั้นทุกคนอย่าไปฝึกตนให้เป็นคนเกียร์คลอันกิเลสประเภทนี้เนะี่ยมันมีมาติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นไม่ใช่เพิ่งมามีในชาตินี้หรอก ให้พึ่งตื่นตัวกันเรามีบุญน้อยบุญไม่มากเกิดมาชาติได้ก็ามาสบวยแต่ความทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะความเปรียกครานะเป็นมูลเหตุไม่ให้ได้ประกอบผู้สนคุณงามความดีให้สูงขึ้นไป เพราะฉะนั้นถึงไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากกิจสันดานได้เมื่อก็่าความเกียดคร้านี้แหลแต่ชาติก่อนมาก็ณีไม่มีความเพียนเรื่องมันนี่แต่เพลิดเพลินในกรมคุณกรมคุณนี่แหละเป็นเหตุอันหนึ่ง เอ่ถ้าหากว่าให้เพลิดเพลินไปทางการมคุณและขยันแข็งแรงดีถ้าจะให้มาทำการทำงานอันมันจะให้เกิดเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่ไม่ไหวร่างกายอ่อนพี่เพียแรงลงไปเลยนี่ลักษณะย่างความเกียดคร้านมะันเป็นอย่างนี้ เพราะเหตุนั้นมันถึงท้นทุกข์ไปไม่ได้ทุกคนต้องสำรวจดูตัวเองแล้วก็เตือนตนเองจะคอยให้แต่ผู้อื่นมาเตือนให้ไม่ได้หรอกถึงผู้อื่นเตือนให้ถ้าตนไม่ลงมือทําแล้วมันก็นแล้วเท่านั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอก อ้งผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ตนเองก็ลงมือทำด้วยไปพร้อมกันเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะบุญกุศลจึงจะแก่กล้าขึ้นได้มันจะแก่กล้าขึ้นเพราะการทำนะบุญกุศลเนี่ยอยู่เฉยๆจะให้มันมากขึ้นมันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ ทำยังไงยังเป็นบุญกุศลเราเป็นนักบวชอย่างนี้ไม่มีเข้าของเงินทองอะไรให้ทานเลยอดกั้นทนทานต่อหน้าของกิเลสเนี้ยให้มันได้ในพันตนนี่แหละบุญใหญ่ออดกั้นทนทานต่อความรักความใคร่อย่าให้มาครอบงามจิตใจ อดกลั้นทนทานต่อความโกรธโมโหโทโซต่างๆอดกลั้นต่อความหลงความเมาความอยากเพลิดเพลินไปในโูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆนานาโมนี่คมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกเตือนตนเข้าไว้เสมออดไม่ไม่ส่งเสริงความคิดอย่างนั้น ก็ได้อดต่อเรื่องต่างๆดังกล่าวมาโมนี่นะได้แล้วจิตใจมันก็ต้องหันเข้ามาสู่กุศลคุณงามความดีได้ทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆได้เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าถ้าผู้ที่มีความอดทนต่อกิเลสดังกล่าวมานั่นนะ แสดงว่าผู้นั้นต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายก็กิเลนเหล่านั้นมันทำให้คนเราวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกภายในจิตใจกว็วุ่นคิดปรุงแต่งไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งเร่าร้อนด้ดวย้วไปทำเรื่องให้วุ่นวายภายนอกนู่น ดังที่เราทราบกันมานี่คนผู้ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปก่อแต่เรื่องโศกเรื่องเศร้าอยู่นั้นนะไปแย่งของรักของกันและกันเกิดประหรัตประหารกันล่มตายหรือเสียองค์ะาไป ไป แ, แย่งเอาสมบัติเข้าของเงินทองของผู่นมาเป็นของตอนแต่แย่งลูกเกียงแย่งเมียแย่งพัวเขาโม่เนี้ยมันมีอยู่ดาาดื่นในโลกอันนี้ชอบดื่มเหล้าเมาสุราเสพกัญชายาฟิน่นเฮโร อ, อีน <c oughs> แล้วก็ ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วแบบนี้นะเมื่อได้ต้องเสพของมืนเมาต่างเข้าไปแล้วเงินทองไม่มีที่จะไปซื้อหาเราจะหาโดยทางสุดจริตก็ไม่ได้เพราะคนเราเสพของเสพติดให้โทษแล้วทํางานอะไรก็ไม่เป็นหรอกมีแต่เมาท่าเดียวต่างเมามาแล้วไม่มีเงินจ่า ซื้อของเรานั้นมาเสษอีกมันหิวเข้ามามันก็วางแผนจี้ปร้นอะไรต่ออะไรสารพัดได้อย่างไรก็เอานันี่ยนี่อันบนี้มันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่อดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสหยาบหยา บ, บเรานี่ยเราต้องวาดภาพดูให้มันเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย เมื่อมันคิดมาเพ่งวิญญาให้เห็นโทษของกิ เ, เลสเรานั้นแล้วมันก็ยินดีที่จะอดกลั้นทนทานในเมื่อตนยังละมันให้ขาดเด็ดออกไปไม่ได้ด้วยปัญญาปัญญาตนยังอ่อนอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนนี้เข้าสู้เอาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้น อะไรอะไรก็สู้ความอดทนไม่ได้หรอกใครจะมีสติปัญญาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดความอดทนแล้วไปไม่รอดนี่พูดสําหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นะนั่นถ้าขาดความอดทนแล้วถึงมีปัญญาก็ละ ก, กิเลสไม่ได้ <c oughs> อันความอดทนนี่ได้ชื่อว่าเป็นฐานเป็นพื้นฐานของดวงกิดกิดที่ฟักไฟหากุศลยินดีในบุญในกุศลแล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อรวมใจความแล้วนะยกตัวอย่างเช่นเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะ กะะ็แสดงว่ามันอดได้นั่นแหละผู้ใดอดได้อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีแหละขึ้นมาในใจนั่นแหะบุญกุศลก็ย่อมเคยขึ้นแหละในใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะเอายกโทษตีเตียนมาก็ไม่ไม่ยกโทษตีเตียนต่ออดกั้นทนทาน ปล่อยเขายกโทษตีเตียนไปไม่เป็นไรไม่ตายหรอกไม่เหมือนยังเอามีดเอาพระมาคว้านหรอกเราไม่ต้องการผูกกรรมทำเวรกับใครขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็นทุกข์ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ละ ผู้ดใดเตือนทนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครหาทางหลีเกเลี่ยงแต่มื น, นี้แหละธรรมดานักบวดนี่นะมันต้องพยายามบำเพ็ญตปธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจอันนี้แหละท่านเรียกว่าสั่งสมบุญกุศลนะของนักบวช พระพุทธเจ้าทรงตรัส้วยว่าขันติธีรสะรังการโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราดลองฟังเอาสิพุทธภาษิตเนี่ย <c oughs> ดังนั้นแสดงว่าผู้ใดที่เป็นนักปราดนี้ต้องมีความอดทนเป็นเครื่องประดับจึงเป็นนักปราดได้ นักปรารนี้แปลว่าผู้มีปัญญาผู้ฉลาดเฉลียวเท่านี้ก็ยังไม่แก่มแจ้งพอหมายเอาท่านผู้ฉลาดสามารถละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้เนี่ยนะี่คาว่านักปรารถนะมันมีความหมายอย่างนี้ ทีนี้เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่ออำนาจกิเลสจะกล่าวมานั้นไม่ได้กดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ได้เท่านี้แล้วมันจะไปทําดีได้อย่างไรแบบนี้มันก็ต้องทําชั่วคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาด่ามาก็ด่าตอบอย่างนี้ใครเขาไม่ได้ว่าเป็นนักปราชญ์เลยเขาบอกเป็นคนผ่าน ไม่ใช่เป็นคนพานเฉพาะผู้เริ่มด่านะผู้ด่าตอบก็เป็นคนพานเหมือนกันในตำราพระพุทธเจ้ายงยังทรงแสดงว่าบุคคลที่ด่าตอบนั่นแหละเป็นบุคคลที่น่าตำหนิมากกว่าคนที่ด่าแต่ทีแรก ทำไมลราพระองค์เจ้าจึงทรงตัดอย่างนั้นจริงพระองค์ตัดอย่างนั้นมันถูกต้องเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลที่สองเนี่ยไม่ด่าตอบแล้วเวรมันก็ไม่มีการทะเลาะวิวาททางลายก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลิกแล้วแก่การไปเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันต่อไปเวร ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนที่สองเนี่ยไม่ยอมลดละไม่ยอมอภัยให้แก่คนที่ด่าตนด่าตอบเอเดนถึงได้เกิดมีเรื่องราวไม่ดีไม่ง า, ามลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆพระาศาสดาทรงตรัสว่าอย่างนี้เรามาพิเคราะห์ดูแล้วมันก็ เห็นเหตุผลโดยแจมแจ้งอย่างนี้แหละเมื่อันเห็นอย่างนี้แล้วผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นก็ทำตามพุทธโอวาทได้เลยอดกั้นทนทานยอมยกโทษอภัยให้แก่ผู้ผิดเลื่อยไป mm hmm. เวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดมีแก่บุคคลผู้นั้นต่อไป นี่นหะการที่เราจะไม่โต้อตอบไม่ด่าตอบได้ก็เพราะอาศัยขันติธรรมนั่นเองผู้ใดมีความอดกั้นทนทานอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ระงับเวรทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงว่าความอดทนนี่ท่านจึงว่าเป็นมูลเหตุแห่งกุศลธรรม บรรดากุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจนี่อดกั้นทนทานต่ออกุศนทั้งหลายไม่ยอมให้อกุศนเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งใดที่จะเป็นบาปเป็นโทษแล้วไม่ส่งเสริมมันอดกั้นทนทานไม่ใช้กายทำไม่ใช่วาจาพูดไป เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เป็นปุษลก็ย่อมเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเช่นเขาพูดคำหยาบภายต่อเรามาอย่างนี้เราพูดดีต่อเอาเราไม่พูดหยาบแล้วเมื่อเราพูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้ไอเขาก็คงจะไม่กล้า พ, พูดชั่วต่อไปได้แล้วนั่นแหละใจมันก็อ่อนลง เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันถึงกล่าววาจาอ่อนโยนออกไปอย่างนั้นได้ก็ได้แก่เมตตาธรรมนั่นแหละกรุณาธรรมมันเกิดขึ้นในใจโดยมันคิดว่าเราก็อย่าเป็นทุกข์เลยเขาก็อย่าเป็นทุกข์เลย มันคิดได้อย่างนี้แ่ะเพราะถ้าว่าเราตอบโต้ไปอย่างนี้เขาก็เป็นทุกข์เขาก็เจ็บใจเขาด่าเรามาเราก็เจ็บใจถ้าเรายึดถือเอาไว้นะเราเจ็บใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์กันทั้งสองเลย <c oughs> เมื่อมันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็หยุดยั่งได้นะึงเป็นอย่างนั้น <c oughs> อคนที่มันได้ทะเลาะวิวาทกันไม่หยุดไม่ยั่งนั่นก็เพราะมันนึกไม่ได้อย่างว่านี่นยมันนึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้เลยมันมันนึกถึงอภัยทานไม่ได้เลยพร mm hmm. าะมีเรื่องไม่ดีกระทบจิตใจขึ้นในขนาดไหนแล้วมันก็วู้วามไปเลยความรู้สึกในใจน่ลย ก็มันไม่มันขาดความอดทนขาดสติความยั่งคิดขาดความอดกั้นทนทานนี่เดนมันถึงได้หู่วามขึ้นมาผู้ที่มีความอดกั้นเป็นพื้นฐานของจิตมาเคยอดเคยกั้นต่อเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายเรานี่มาอย่างนี้นะเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้พอนานเข้ามันกระทบกระทั่งเข้าไปมันก็ไม่ตื่นเต้นเลย มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสร้างขันติธรรมนี้ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของกิจมาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ไม่เคยได้สร้างความอดทนนี้มาแน่นอนแหล ะ, อะพอเรื่องไม่ดีไม่งามก็เท่ากับท่ามาหน่อยเดียวเท่านั้นมีพิษเลยเป็นอย่างนั้นนั่นท่องพากันเข้าใจไว้ ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจพื้นฐานของข้อปฏิบัติอันนี้นะมันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนี้บุคคลผู้ที่ท้อถอยต่อข้อวัดปฏิบัติจนเช้นอย่างว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้ซึก ไปวนนี่นะมันก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่เนี่ยไม่มีความอมดทนเป็นพื้นฐานรองรับดวงจิตไว้เหตุนั้นกิเลสมันถึงปั่นจิตให้วอกแวกให้วันไวไปมาได้อย่างง่ายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า พันตีตะโปตะ ป, ปะสีโนความอดทนเป็นตะ ป, ปะเครื่องแผดเผากิเลสความชั่วทั้งหลายให้เราร้อน <c oughs> ถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนอย่างไฟนั่นแหละความอดทนนี่นะเมื่อเราอดให้มันได้มาตรฐานแล้วนี่ธรรมดาไฟเนี่ย ถ้าเอาไปจุดเข้าไปในกองไม้แห้งอย่างนี้มันก็ไม่ไม่มีเหลือเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ความอดทนก็เหมือนกันเมื่อเราหัดอดหัดทนให้มันมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วมันก็มีอำนาจในตัวเลยมั น, นมันเผาความชั่วร้ายต่างๆให้เหือดแห้งไปจากจิตใจได้ เมื่ออดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานทั้งหลายการเจริญสมาถะานี่อาจจะทำใจสงบนี่ถ้าขาดความอดทนแล้วสงบไม่ได้ไม่ได้จริงๆเป็นังงเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ เราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ดำเนินตามนี้แล้วมันจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เลยชีวิตนี้นะบุญกุศลก็เจริญงอกงามไม่ได้มันจะได้อย่างไรล่ะเรามาจำศีลอยู่ในวัดอย่างนี้นะ เมื่อจำศีลไปมาแล้วถูกกระทบกระทั่งขาโกรธกันด่ากันต่างคนต่างก็มีจิตใจดำเกลียดต่อกันและกันเนี่ยมองหน้ากันไม่สนิทอย่างนี้จะชื่อว่ามารักษาศีลยังไงล่ะเป็นอย่างนี้อมันก็มาสร้างกรรมสร้างเวรแหละไม่ใช่อื่นไกล ดังนั้นเราจะให้บุญกุศลมันงอกงามได้อย่างไรอ่ะเพราะนั้นการที่บุญกุศลมันจะงอกงามไปได้เพราะจิตใจไม่ส่งเสริมกิเลสต่างกล่าวมานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาในสันดานด้วยความพลังเผลอเวลาใดรู้ตัวลรากำหนดละมันเลยไม่ต้องเลี้ยงมันไว้นั่นแหละ มันเผลอตัวมันเกิดขึ้นมาเวลากำหนดละมันไปเรื่อยๆอยู่นั่นมันที่ทนไหวหรือมันก็ต้องอ่อนกำลังลงสิเราไม่ส่งเสริมมันนะพร้อมกันก็ทั้งอดกั้นทนทานด้วยอย่างนี้ตัดกำลังกันลงทุกทางเลยอย่างนี้มันก็อ่อนกำลังลงไปนั่นแหละกลัวว่าใจมันจะสงบลงได้ ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยขันติธรรมอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ผากฐานไปก่อนเช่นนั้นแหละหากฐานกิเลสอันห ย, ยาบๆนั่นนะให้มันอ่อนกำลังลงก่อนใจมันถึงสงบลงได้ถ้ายังปล่อยให้กิเลสหยาบๆนนั้น ครอบงามจิตใจว่าอยู่นี่มันจะทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เลยจิตนี้ให้เข้าใจจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนายังไงมันก็ไม่ลงหรอกไม่ลงเ<ม>พราะพู้นั้นขาดความอดทนนี่อดคิดนะนั่นแหละอดคิดไม่ได้ เมื่ออดคิดไม่ได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยมันเป็นยังไงถ้าผูใ้ใดอดคิดได้เข้าไปอดมากๆเข้าไปแล้วความคิดชั่วเหล่านั้นมันก็ดับลงอ่มันก็ระงับลงความคิดหยาบๆนะมันก็ดับลงพอความคิดหยาบเนะี้ยมันดับลงแล้วก็ยังเหลือแต่ความคิดอย่างกลางอย่างนี้ มันก็พอที่จะระ ง, งับกันลงได้แบบนี้นะอันนี้ <c oughs> ดังนั้นไม่ควรที่จะท้อใจผู้ใดกด็ดีการปฏิบัติธรรมนี่ก็พระพ เ, เจ้าทรงแสดงคุณธรรมไว้แล้วให้เราสร้างคุณธรรมนี้เกิดขึ้นในใจแล้วเมื่อคุณธรรมนี้บางเกิดขึ้นในใจแล้ว แต่ก่อนนั้นมองเห็นมันยากแหละการปฏิบัตินี่ฮันเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะมองเห็นแล้วมันง่ายกว่านี้มันค่อยง่ายเข้าแล้วอุปมามันยังคนทําไรท่ทําสวนเนี่ยมันก็ได้ลงแรงมากทีแรกเนี่ยต้องตัดไม้โค่นไม้ออกไปอ่าโคนไม้ออกไปแล้วแบบนี้มันปล่อยมันแห้งเข้าไปแล้วจุดไฟเผา ่อไฟไหม้ลงไปอย่างนี้แล้วมันก็เหลือตั้งแต่ตอของมันเหลือแต่กิ่งกา้านนิดๆเลยหน่อยเนี่ยการออกแรงต่อไปนี่ก็ไม่ไม่มากเหมือนแต่เดิมแล้ววันนี้นะค่อยเก็บเศษไม้ไฟไหม้อะไรออกอแล้วก็สับตอไม้ที่มันยังเหลืออยู่ออกไปเล็กๆน้อยๆไปเนื้อที่มันก็ค่อยเตียนไป ก็ค่อยเบาแรงไปเรื่อยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพอเริ่มลงมือปฏิบัติทีแรกนี่ <c oughs> มันก็เสดอออกแรงเหมือนอย่างเขาถังไรอย่างว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นต้องอดกั้นทนทานเอาความอดเข้าว่าเลยอดตาหลับขับตาโนน ไม่เห็นแก่รับแกโนอนอดทนในการอยู่การกินเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละว่าแต่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วมันไม่ตายหรอกแต่สภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันเฉลยลนะะมันตาย ถ้าไม่มีอะไรเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายแน่นอนกระือสีอยู่ในปากฉันแต่ผลหมากลากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตายนั่นะต้องนึกถึงพระฤาษีโน่นเอาได้กินยังไงก็กินไปอย่างนั้นแหละ ว่าแต่มีอาหารหล่อเลี้ยงมาแล้วมันไม่ตายหรอกอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันเฉลยนะมันตายถ้าไม่มีอะไรเข้ากับเกลือลงไปก็ไม่ตายไม่ตายนแน่นอนจักรคือสีอยู่ในปาดฉันแต่ผลหมากลากไม้เท่านั้นเพื่อนก็อยู่ได้ไม่ตาย นั่นะต้องนึกถึงผลฤษีรุ่นถ้าเวลามันขาดแคลนอาหารมาเอ้ยผลฤษีเนี่ยกินแต่ผ ล, ลไม้เพื่อนยังอยู่ได้เนี่ยนี่กลัวอะไรอ่ะมัมันต้องอย่างนี้ความอดความทนนะ มันเป็นตะปาทำเครื่องแผดเผาความโลภความโกรธความหลงมานัติถิต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจเข้าไปแนละ้วหงุดหงิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่อดทนแล้วก็แน่นอนไปไม่ได้นานเลยนั่งภาวนาเขาดี โน่นหนึ่งก็ถอยแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันวุ่นวายแล้วร่างกายนิ่งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อดทนนะร่างกายก็พลอยอหงุดหงิดลอยวันไว้ไปตามกันนะสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นนะต้องอาศัยความอดกั้นทนทานเขาช่วย การนั่งสมาธิภาวนาจิตใจจะสงบลงได้เมื่อใจอดต่อความคิดนึกต่างๆลงไปได้ความคิดทั้งหลายมันก็ค่อยดับลงดับลงนะเพราะเราอดนี่เราไม่ส่งเสริมมันไม่ต้องเจริญกรรมฐานอื่นใดตั้งความอดทนนี่ลงไว้ในใจเราจะาอดเราจะไม่คิด อ่างนั้นแล้วก็มาเพ่งเดี๋ยวลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้พร้อมกับความอดความทนนะไม่นานแล้วใจก็สงบลงได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่อดไม่ทนแล้วต่อให้บริกรรมอะไรอะไรก็ช่างนะไม่มีทางหรอกใจจะสงบลงได้ มันไปขอให้เข้าใจกันให้มันแน่นอนอย่างนี้ไม่อย่างนั้นศ า, าสดาไม่ตรัสสนรเสริญคุณแห่งขันติไว้มากมายหรอกมากนะพุทธภาสิตเกี่ยวกับความอดความทนเนี่ยพวกนักศึกษานี่ต้องต้องเข้าใจแหละต้องรู้ได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้วิจารณ์ดูหรอก เพียงแต่เรียนเรียนผ่านผ่านไปเฉยนี่อถ้าพูดช่างวิตารวินิจฉัยแล้วก็นั่นน่ยมันจะเห็นคุณค่าของขันติเลยเอ๊ะทำไมพระ อ, องค์เจ้ายังทรงตรัสเรื่องขันตินี้ไว้มากมายอย่างนี้เนยายเมื่อม่ได้ฉายดูเรามันก็เห็นที่เห็นคุณค่าของขันติความอดทนแล้วผู้นั้นเห็นแล้ว ก็ยอมลงมือสร้างสันติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้เลยวันนี้มันเปน็นยังไงก็ในหนังสือพระหู่งมัอะไรที่พวกอรารวาคายักษ์โบรนณมด ด่าพระองค์มาแผงนิดใดต่ออะไรใส่พระองค์พระองค์ก็ตั้งอยู่ในความอดทนนี่แหละนางกินจิมานาวิกามูนันนะไปยืนด่าพระองค์ต่อหน้าชุมนุมชนนั่นชนะ้างนาลาคีรีมูนั้นวิ่งมาใส่พระองค์ พระ อ, องค์ก็ไม่หวั่นไหวก็เพราะความอดกั้นเนี่ยความอดกั้นทนทานเนียทำใจหนักแน่นเข้าไปอย<ม>่างนั้นต่อจากนั้นแหละพรอองค์ก็จึงใช้พุทธานุภาพกำจัดศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นไปในขั้นต้นนี้ต้องอดกั้นทนทาน พญามาราธิราชยกพร้อมอบพยพพหผลพลพยหะเสนามามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแท่นบันลังหมู่นั้นองค์ก็าอาศัยขันติพรอมอดกั้นทนทานนี่แหละเบื้องต้นนะไม่ยอมขยับขยื่นหนีไปจากแท่นบันลังนั้นเลย แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงประกาศพระองค์เอามาใช้อยู่หรือเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงมาเงี่มันก็ต้องอาศัยความอดกั้นทนทานในใจอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่แสดงอาการกระวนกระวายเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ผู้รักษาดูแลนั้นเกิดรำคาญใจ มันมีนะบางคนนะขาดความอดทนนะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วมีเพื่อนเข้าไปดูแลรักษาเขาทำอะไรไม่ทัน อ, อกทันใจก็โกรธว่าํำเจ็บเจ็บแสบแสดใส่เพื่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อนก็ทอดทิ้งเียเลยไม่ดูแลซ้ำนั่น บุคคลผู้ขาดความอดทนนะอดกั้นตอมนาดของกิเลสเขาก็จะต้องปล่อยให้ตายไปฟรีๆเลยเลยนั้นเวลาเจ็บป่วยลงไปเนี่ยอย่าไปแสดงกิริยาหยาบคายต่อคนที่เขาไปดูแล ร, รักษาเราต้องอดกั้นทนทานนะใครเขาทำอะไรไม่ ถูก อ, อกถูกใจหรือไม่ทัน อ, อกทันใจก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเขาไปเรื่อยอดกั้นทนทานเอาเสียสะละลงไปเอาตายตายเป็นตายตา ย, ตา ย, ตายแล้วแล้วไปจะมาหวงขันห้านี่อยู่ทาไมอะ่ะมันจะแตกจะดับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหวงไม่ต้องไปยกโทษใครอ่ะ โทษของวัตาสงสารจังหัดเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นโทษของวตาสงสารอย่าไปโทษใครเลยเมื่อคิดได้อย่างนี้มันก็อดกั้นทนทานเมื่ออดได้มันก็เป็นที่รักใคร่ของผู้รักษาดูแลทำให้ผู้รักษาดูแลนะั้นเกิดเมตตา เอ็นดูยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเอาใจใส่หนักเท่าเลยคนคนป่วยถ้าหากว่าแสดงอาการอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่อคำต่อความผิดหวังอะไรต่ออะไรในชีวิตในขณะนั้นน่ะมันเป็นยังไ น, นแล้วกิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจ กิเลสยายากอย่างว่า น, ะนั่นเอเดนแล้วพระพุทธเจ้าตรสัสว่าความอดทนในนามมันเป็นตับปะมันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เบาวางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจผู้ใดซึ่งไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาให้ แต่กล้าขึ้นในจิตใจได้ก่อนอย่างนี้นะสู้จิตใจในะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเพราะกิเลสปัน่นจิตใจและใจคุ้งไปอย่างนี้น ะ, ะเมื่อปัญญาเรายังไม่สามารถจะตัดรากของกิเลสขาดได้ก็เอาอดอืเราจากไม่คิดอย่างนี้นะความคิดก่อกำหนา สูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบกรมทั้งหลายเกิดแต่ความคิดเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบนักปราชญ์ท่านแปลเป็นสัมพันธ์เป็นคำกรอนไว้ในพาสิทธ คำว่าสังกัปปะราโคภุริสัตสัคโมแปลว่าความดำริเป็นกามของคนหรือว่าความกำหนัดเกิดแต่ความดำริเป็นกามของคนก็ว่าได้อันนี้เนยนับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิด นักปราดท่านกล่าวถึงคำกรไหรกามทั้งหลายเกิดแตกความคิดมันก็ถูกต้องแปลตามบ า, บาลีอันนั้นนะสังกัปปะราโคปุริชัตสกามโมสังกัปะสังกัปโปลไปก็ความดำรินั่นเองความดำริไปในความใคร่ความกำหนัดยินดีนี่นะนั่นนะ ให้พึ่งพากันเข้าใจความกรรมน่ะยินดีทั้งหลายมันเกิดจากความคิดนี่เมื่อรวมใจความลงมะเพราะนั้นเราจะพอมันรู้จักว่ามันเถอะตัวนี้ก็ต้องอดกั้นทนทานไม่ส่งเสริมมันต่อไปไม่คิดมันอย่างนี้นะเมื่อไม่คิดมันแล้วมันก็ดับลงนะเราสู้มันได้เราสู้กับความคิดนะ ตัวเองนั่นะสู้กับตัวเองมันขยับจะคิดเราไม่คิดอย่างี้เอา้าสู้กันไปอดกั้นลงไปเราจะอดไม่คิดอย่างี้เกือนตนเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปนานเข้าน้นเข้าความอดมันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไอความคิดอย่างรุนแรงมันก็อ่อนลงเหมือนกันในสุดมันก็ดับไป ใจก็เข้าถึงความสงบได้อเอเดนจึงว่าความอดทนนี่เป็นยอดแห่งข้อปฏิบัติทั้งหลายเลยใครจะปฏิบัติยังไงก็ช่างถ้าขาดความอดทนแล้วไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ขอให้พากันลงมือปฏิบัติตามแล้วต่อนี้ไปก็เอาเริ่มนั่งภาวนากันทีมาบนี้